ระหนฟังที่ครรอค่านี้คือรายการสันนิยมสนทนานะคะสันนิยมนาคพงค์่ะผู้ดำเนินรายการและเรามีพระภิกษุอีกสองรูปด้วยกันผ่านไปสําหรับรูปแรกเป็นพระภิกษุที่จะนำท่านทั้งหลายเข้าสู่ความสําคัญของการที่จะเข้าถึงธรรมของพระาศาสดาก็คือการนําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เป็นการนําการปฏิบัติตามพุทธวจนะคือพระมาชาเขวโรก่อนที่จะ มาพบกับพระภิกษุในรูปที่สองในลำดับต่อมานี้นะคะก็คือพระภัย บ, บูรณ์อภิปุณโนมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้พวกเราได้มีความรู้มากขึ้นค่ะน้มสักการค่ะท่านภิยบูน์คะใชญพรค่ ะ, คะก็คงจะให้ท่านได้พูดถึงการที่เราจะบูชาพระพุทธเจ้าในช่วงปีพุทธาชายันตีเริ่มต้นก่อนดีไหมคะเอ่อเรื่องที่พระเจ้าอ่า คิดว่าสําคัญเลยเด่นมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าค่ะอ่าคือสามารถฝึกที่คนที่ไม่ว่าใครๆก็ที่คุณฝึกได้นะคุณยมเติ๋วเนื่องไหมคือถ้าคนฝึกไม่ได้ก็คือคือขาดทิ้งคถ้าคนที่ฝึกได้ฝึกออกมาแล้วเหมือนกันหมดอ่ะเก่งขนาดนี้อ่าเก่งในลักษณะที่ว่าฝึกออกมาแล้วเนี่ยอย่างคนที่บรรลุเป็นพระอรันเนี่ยจิตของท่านก็จะเป็นจิตที่ ไม่มีนิวรณนะ์มีทำเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าอย่างหนึ่งก็คือว่าละองห้าได้ขาดนั่นคือกับความไม่มีนวอร์ณนะ์แล้วก็ท่านเหล่านั้นที่บรรลุออกมาเป็นพระอหันต์หมดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มีความเป็นอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเป็นคนที่อะไรง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ใช่มากง่ายนะแต่ว่าเป <c oughs> ็นคนทีอ่อยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายลักษณะนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังรวมถึงฝึกคนแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยนะคุณโยมเติ๋วมันเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติ <c oughs> มันมันจะเป็นสมาธิไม่ขั้นใดกขั้นหนึ่งอย่างบางๆางที่สุดก็เป็นฌานที่หนึ่งองค์ประกอบอาจจะยังไม่ครบทั้งสี่อย่างแต่ก็ไม่มีอะไรที่มาเป็นเครื่องกวนใจเป็ น, et, น, น <c oughs> อุปกิเลสลักษณะนี้การฝึกตรงนี้พระพุทธเจ้ า, าก็มีกระบวนการในการฝึกกำลังลมคือฝึกเป็นขั้นเป็นตอน อที่จะเน้นในวันนี้คือว่าฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าคือไม่ใช่ฝึกได้ทุกคนนะค่ะเนี่ยค่ะประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะท่านคะก็เป็นว่าในส่วนนี้เป็นความรู้พุทธชยันตีให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาของเราคใครฝึกได้แล้วฝึกได้ทุกคนที่น่าสนใจคือผลผลิตเหมือนโรงงานเลยนะคะผลิตออกมาแล้วท่านบอกว่าผลิตตผลได้เหมือนกันเลยเหมือนกันไปจะได้เป็นพระอรหรอันต์ที่ไม่มีนิวรณ์เดี๋ยวในราค้า คื อ, อตรงนี้บูชาเปรียบเหมือนกับช้า ง, างเาเรียกว่ไรควานช้างหรือว่าอาจารย์ผู้ฝึกม้าที่ชำนาญนนฝึกม้าออกมาแล้วเนี่ยต้องสามารถสั่งได้ชูประตักขึ้นเป็นเงาปุ๊บม้ารู้ทันทีไปข้างหน้าซ้ายขวานหน้าหลังต้องรู้ได้หมดเช่นเดียวกันกับฝึกอรญยสาวกอย่างนี้แหละน่าสนใจมากทีนี้นพวกเราจากนอกเหนือจะรับความรู้ของท่านมาแล้วเราก็ ควรที่จะบูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูบชาต้องทำตัวเป็นผู้ถูกฝึกที่ฝึกได้ใช่ใมากที่สุดอย่างงั้นเปล่าคะคือผู้ที่จะฝึกได้หรือฝึกไม่ได้เนี่ยพพุทธเจ้าก็จะดูจาก5 อ, อ, อย่างนะคือคือค อ, อันนี้ไม่ใช่อินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าก็อย่างหนึ่งนะก็ดูจากอินทรีย์ห้าเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงความบรรลุเร็วหรือบรรลุชา้านี่คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาใช่ แต่ผู้ที่จะฝึกได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองไปรอดได้เนี่ยก็คือบุคคลที่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีศรัทธานี่อย่างหนึ่งศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและก็ปัญญา5อย่างนี้ศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะและก็ปัญญา5อย่างนี้นถึงจะเป็นผู้ที่พอที่จะฝึกได้ค่ะทา่านคะงั้นในส่วนต่อไปนี่ก็ขอกลับเรียนสนทนาต่อในช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเลยก็แล้วกันนะคะพูดถึง พู้ที่ฝึกได้ก็มาขยายความเพิ่มเติมกันนิดนึงเพราะที่ฉันเชื่อว่าคนเวลาฟังปุ๊บเนี่ยฟังอะไรก็อยากรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่กําลังฟังอยู่เดี๋ยวจะค้างใจว่าไ้คุณสันสัญญีก็พูดมาถึงขนาดนี้ทําไมตัดไปเรื่องอื่นอศรัทธาพอเข้าใจคะ่ะยิริโอตปะก็เป็นความละอายเกรงกลัวต่อบาปตอบรวมๆอย่างนี้เลยได้ไหมคะได้ความละอายและความกลัวต่อบาปฮะและ้วพอข้อที่สี่วิริยะคือความเพียรใช่ข้อที่ห้าปัญญาก็คือปัญญาเนี่ยค่ะท่านมีหรือเปล่านะคะ อันนี้พระรูชาเคยเปรียบเหมือนกับพี่เลี้ยงเด็กนะที่คอยจะดูแลเด็กใช่ไหมปรากฏว่าเด็กนี่เอาชิ้นกระเบื้องกึลึงเข้าไปในปากพี่เลี้ยงก็ต้องรีบดึงออกมาถึงแม้จะเลือดออกก็ต้องทําเช่นเดียวกันกับภิกษุเนี่ยถ้ายังไม่ได้มีศรัทธาวิญญาฮีริโอตปาวิญญาณปัญญา5อย่างนี้พระรูชาต้องคอยขนาคอยเตือนคอยอะไรต่างๆแต่พอมีแล้วก็ปล่อยมือไม่จําซี้จําชัชเกินไปถ้าไม่มีต้องทำไงต่อไปฆ่าทิ้งสอนไม่ได้เลิก แต่เนี่อกลถึงนึกถึงเวลาที่เราหรือว่าเราอยากให้คนที่เรารักลูกเต้าล้านหลออะไรเงี้ยนะคะไปเรียนอะไรเนี่ยเจ้าตัวก็ต้องการกองเชียร์ก็อยากได้แต่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่เข้าข่าย อ, อันนี้น่าเสียดายมากจะดูเหมือนกับว่าคุณสมบัติที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดเนี่ยทรงให้โอกาสด้วยคือทรงฝึกให้ด้วยให้เกิดศรัทธาหิริโอตตะปะวิริยะปัญญาถูกไมคะฟังจากท่านเนี่ยใช่ใช่ โอแสดงว่าต้องแย่จริงๆนะคะถึงจะหลุดจากวงจรนี้ฝึกไม่ได้ฆ่าทิ้งเสียฆ่าแบบนี้ไม่ใช่ผิดสิงข้อหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเพราะฟังแล้วเดี๋ยวจะตกใจว่าในทําอว่าในนี้เนี่ยการฆ่าเนี่ยือหมายถึงการที่ไม่ยุ่งด้วยไม่สนใจไม่บอกกล่าไม่ว่ากล่าไม่บอกสอนเลยนี่คือการฆ่าเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าผู้ฟังรายการนี้ต้องบอกว่าทุกคนเลยล่ะน่าจะเป็นผู้ที่ เป็นบุคคลที่สามารถฝึกไดม้มันก็จะมีประเด็นนี้อีกนะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆคุณโยมติวยังไม่ได้บอกสอนใครตอนนั้นก็หลังจากที่สนทนากับสามบดีพรมแล้วล ะ, ล ะ, ะก็ได้มีความคิดว่าเอ๊มีบุคคลประเภทที่ถึงแม้จะไม่ได้เห็นตถาคตแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมของตถาคตแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้อ น, นี้ก็มี แล้วก็มีบุคคลประเภทที่ว่าถึงแม้จะได้เห็นตถ า, าคตได้ฟังธรรมที่ตถ า, าคตประกาศไว้แล้วเนี่ยแต่ก็ทําความดีขึ้นมาอะไรไม่ได้เลย <ari> คือมันชั่วอยู่ตลอดเวลาก็มีเป็นแบบประเภทที่2ส่สวนประเภทที่3เนี่ยก็คือต่อเมื่อได้เห็นตถ า, าคตหรือได้ฟังธรรมที่ตถ า, าคตประกาศไว้แล้วเขาถึงจะเป็นผู้ที่อยู่ในคันลองแห่งกุศลธรรมได้พระเจ้าจึงแสดงธรรมโปรดพวกนี้บุคคลประเภทที่3นี้ทำให้ประเภทที่1แล้วประเภทที่2เนี่ยได้รับความความโชคดีไปด้วยได้ฟังธรรมไปด้วย เพราะไอ้ประเภทที่สองนี่คือประเภทที่ต้องฆ่าทิ้งช่วยไม่ได้แล้วอืมค่ะนะคะก็อีกประการหนึ่งที่ดชียงคิดว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องของจิตที่ไม่มีนิวรณ์ที่ท่านบอกว่าจิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยดีมากเลยจะเป็นสมาธิได้โดยอัตโนมัติคือย้อนไปในสิ่งที่ท่านได้พูดช่วงพุทธชัติเนี่ยนะคะจึงอยากทราบว่าอ่าจิตที่ไม่มีนิวรณ์ที่ท่านว่าเนี่ย คือหประการอย่างไรนะคะถ้าอธิบายนิวรณนะคะนิวรถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยแปลง่ายๆก็แบบว่าเครื่องกางกัน่นเครื่องกางกั่นก็คือเครื่องที่มันจะทําให้เราติดขัดคิดไม่ออกมึนตึงง่วงอันตู้นะสถานีญญอันแรกก็คือความเพ่งเลง็งความเพ่งเลง็งหรือว่าไอ้การมชันทะความอยากทางการความอยากได้นั่นได้นี่ความอยากความเพ่งเลง็งตรงนี้คืออุปสรรคข้อที่1 อันนี้มันตั้งแต่ภายนอกๆ น, นะของอ ย, ยากๆบางเช่นเราอยากได้นั่นอยากได้นี่อันนี้ก็อันนี้ก็เอาต้องนี้เป็นอย่างนี้อันนี้คนอื่นทําอย่างนี้ไม่ได้ต้องทําอย่างนี้อันนี้อยากอก้อก่างนอกอย่ากข้างในก็คือว่าฉันอยากให้ฉันจิตฉันเป็นสมาธิบังคับกูเ <Pale> ข <Ale> ้นเอาอยากให้จิตเหมือนเดิมเป็นสมาธิยอย่างที่เคยทําได้อย่างนี้ก็เหมือนกัน <C> อ, อย่างที่สองคือความพยาบาทหรือว่าความไม่พอใจ และความคับแค้นใจพวกนี้เป็นอย่างที่สองหมดไม่พอใจตั้งแต่นอกๆเลยเช่นคนนี้ก็ทําอย่างนี้ไม่พอใจไม่พอใจอากาศไม่พอใจอาหารไม่พอใจที่พักไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้รวมถึงไม่พอใจในใจด้วยนะเช่นว่าคนไอในนั่งห้องนั่งสมาธิฉันก็ไม่พอใจคนนั่นก็นั่งทาำนี้แล้วนันก็ไม่พอใจพวกนี้เป็นหมดค่ะยังรวมถึงในจิตของเราด้วยสมมุติจิตฉันเนี่ยอย่าให้มันเป็นสมาธิมันไม่เป็นให้ฉันก็ไม่พอใจจิตฉันไปฟุ้งซ่านแล้วฉันก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นหมด ข้อที่3อันนี้ก็เคยเกิดกับท่านพระหมหาโมคลานะเหมือนกันคือความงุ่งเาหาหนอนอทีน้ำิทะอันนี้ยังรวมถึงความเบื่อนหน่ายขี้เกยียจขี้คร้านรวมอยู่ในข้อที่3นี่หมดส่วนข้อที่4นั่นก็คือเรื่องของความุคิดฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นฟุ้งซ่านสําคัญใจส่วนข้อที่5้านั่นคือความเครือบแคลงระแบงสงสัยซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพรพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบอุปมาอุปมไมยไว้หมด โดยข้อแรกความอยากเนี่ยเปรียบเส ม, มือนคนที่ไปกู้หนี้เข้ามาเรานะไม่มีตังค์ใช่ไหมคุณอยากมีตังค์ใช่ไหมคุณทาําไงคุณไปกู้หนี้มาคนกู้หนี้เนี่ยไม่สบายใจคนเป็นหนี้อะ่ะอือย่างที่สองก็คือเปรียบเส ม, มือนคนที่อติดเป็นไข้เป็นโรคอยู่โรงพยาบาลคุณมีแต่ความปัญหาบาลมาจืดแต่ความร้อนใจอึดอัดทําะไรไม่ถูกคนะอย่างที่สามคือความงุ่ห ง, งาหอ น, นอนความขี้ขี้ขี้คลานเนี่ยเปรียบเส ม, มือนคนที่ ถูกจั บ, จ, บจับคุกไว้อยู่ในคุก <Okay. S 1> แล้วก็ความฟุง้งซ่านทําการใจนี้เปรียบเหมือนคนที่เป็นธาตุเป็นธาตุของความคิดอยู่นิ่งๆไม่ได้ส่วน <Okay. S 1> ที่ห้าความฟุง้งซ่านําการใจนี่คือความเครือบแคลงระบายสงสัยเนี่ยเปรียบเหมือนคนที่นำทรัพค่ําทางกันดา ม, มันจะมีความกังวลความระแวงความเครือบแคลงเวลา เ, าเงิน เยอเงินเยอะๆเนี่ยใส่กระเป๋าเทียมบอดเดินไปเนี่ยโอ้ยเราใจเราระวังว่ามากเลยว่าอใครมันจะรู้ว่าในกระเป๋าเรามีเงินไหมมันจะเข้ามาฉกจริงวิ่งราวเราไหมอย่างเงี้ยนะใช่เจอมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับมาใกล้ๆสะดุ้งเฮือกอนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ท่านฟังคะท่านลองพิจารณาดูเผื่อที่วันนึงท่านเป็นคนที่พิเศษนะคะเป็นคนที่เนี่ยไม่ค่อยเพลงเลงอะไรกับใครเขาไม่พยาบาทไม่พอใจอะไรกับใครเขา ว่าเหงาหานอนกันน้อยไม่ค่อยฟุ้งซ่านดำคาญใจอะไรไม่ค่อยเครือบแคลงระแวงสงสยัยแม่ที่ฉันเป็นแบบนี้มากอยากเป็นแบบนี้มากจังเพราะว่าท่านบอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าจะเป็นสมาธิจิตโดยอัตโนมัติจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรล่ะมีผู้ละองห้าได้ขาดละองห้าได้ขาดนี่ก็มันเหมือนกับน้ําที่ เวลามันออกมาจากสายยางนะคุณโยมติว๋วเราบีบปลายสายยางให้มันเล็กพุ่งออกไปเนี่ยมันจะมีแรงไปล้างไอสิ่งสกปรกอย่างสมมติคนน้ำท่วมมานะเข้เาน้ำต้องฉีดแรงๆไปล้างเช่นในทางความค้ำถ้าเผื่อว่าท่อเรารั่วปากสายยางเราขาดอย่างเงี้ยน้ํามันจะไปคนละทิศละทางมันไม่มีแรงเนีเช่นเอราวูต่างๆรอยรั่วพวกเนี้คือนิวรณ์ทั้งห้านี่แหละค่ะนะคะก็เลยได้รู้จักทั้งตัวนิวรณ์ด้วยได้รู้จักทั้ง คุณสมบัติของคนที่พระพุทธเจ้าฝึกได้ด้วยใช่แล้วก็สุดท้ายที่ฉันอยากจะเรียนถึงท่านฟังที่ฟังรายการทั้งหลายว่าเวลาท่านแค่รู้ว่าฟังเราก็ดีใจแล้วแล้วก็ยิ่งถ้าท่านเนี่ยได้มีปฏิกิริยานะคะไม่ว่าจะในแบบไหนมาถึงรายการเนี่ยเราก็ยิ่งมีความรู้สึกรู้สึกดีเมื่อสักครูน่นี้ที่ฉันได้รับ จากท่านเพบูลนะคะเป็นท่านฟังท่านหนึ่งชื่อคุณวาริษาเป็นผู้ฟังเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะบอกว่าชอบฟังรายการของพระอาจารย์เพบูบูลมากแต่บางวันขับรถไปออกกำลังกายเสียงวิทยุของพระอาจารย์ทุ้มมาก อยากรบกวนให้ช่างเทคนิคปรับเสียงให้พระอาจารย์เสียงไม่ทุ้มมากเพราะว่าฟังบางครั้งไม่รู้เรื่องอ <c oughs> ขอรบกวนด้วยอันนี้จริงอาจจะเป็นที่ไมโครโฟนนะว่าจะมาก็ลองทดสอบใช้ไมโครโฟนสองสตัวดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อไม่ไม่ใช่ทางสถานีเอฟเอ็มร้อยหนะคะแต่ยังไงดิฉันก็พูดเสียงดังๆด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีท่านฟังบางท่านก็บอกว่ า, ามีปัญหาเรื่องเสียงอย่างนี้แหละแต่ดิฉันเข้าใจอ ย, อย่างเงี้ยนะคะถ้าไปบูลว่า <c oughs> เดี๋ยวเนี้ย ระบบการส่งการรับของวิทยุมันก็จะถูกรบกวนเยอะอโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยคลื่นวิทยุก็มีเยอะอยู่แล้วแน่นไปหมดเลยนะคะในระดับรองลงมาก็คือมีอาคารสูงๆต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะอ ใ, ในระดับถัดมาก็มีผู้ที่ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนนพยายามพูดภอษาให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะคือมีวิทยุชุมชนเยอะ อย่างบ้านใ้ฉันแถวเนี้ยค่ะฟังอะไรลำบากมากเลยอยู่แถวๆใกล้ๆแฟชั่นไอแลนด์เพราะว่าแถวนอกเมืองนี่ก็มีวิธียุชุมชนเยอะอค่ะมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่าที่เอฟเอร้อหกนฟังทางอินเทอร์นเนเ็ตก็ได้นะคะใช่ใช่เพียงแต่ผู้ขับรถเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่ไม่ตอบสนองแบบสม่ำเสมอ อ, มอย่างไรก็ตามขอบคุณคุณวาิสามากเลย ที่ฟังรายการแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตที่ดีนะคะมีออกกำลังด้วยแล้วก็จะบอกว่าเสียงตรงนี้เป็นยังไงก็ช่วยฟีดแบคด้วยว่าฟังได้ไหมถึงไปงหรือเปล่าหรือแหลมไปไหมอย่างเงี้ยนะท่านอื่นด้วยนะคะที่จะฝากให้ช่วยฟังรายการแล้วก็มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับค่ะแล้วก็อย่างคุณวริษาเนี่เป็นตัวอย่างของคนที่ออกกำลังกายด้วยดิฉันนึกถึงสูตร ความสวยสูดไม่แก่ของพระพุทธเจ้าเลยอะค่ะอใช่<笑><笑><笑><笑>ในะคะรายการเราเนี่ยสอนให้ออกกําลังใจป่ะคะตอนช่วงเช้ากำลังจิตกําลังจิตใช่กําลังจิตเราต้องมีแต่บางคนใช้เรื่องการออกกําลังกายเนี่ยมาเป็นตัวบังคับให้จิตของเรามีกําลังเช่นคนที่ฝึกหนักๆนักนกีฬาพวกเนี้ยนะเขาก็มีกําลังจิตของเขาระดับหนึ่งเพราะว่าใช้กายในการที่จะพุชตัวเองให้มันไปข้างหน้าได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในรายการนี้ไม่ได้พูด เอ่อเคล้าอะไรคะให้เกินจริงท่านนําไปทดลองปฏิบัติดูก็แล้วกันเราเชื่อว่าล้วนแต่มีประโยชน์ให้กับท่านวันนี้นามาส ก, การขอบพระคุณท่านไปบุญไปอย่างยิ่งเลยนะคะคาะท่านฟังที่เคารพค่ะท่านอยู่ในช่วงลาของรายการสัมมีสนทนานะคะที่ฉันสรรันมมนาพมเป็นผู้ ด, ดําเนินรายการแล้วก็เราพบกันเป็นประจำที่สถานีวิวทยุสทอร์รเอฟเมร้อยหและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะ เราต้องการนะคะที่จะให้สังคมนี้มีคนเข้าใจในเรื่องธรรมะที่พระศ า, าสดาสอนให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วนําไปปฏิบัติเพราะว่าศาสนาของเราเนี่ยนะคะคิดในแง่ที่คนทั้งโลกต้องการคือในแง่ของสันติสุขเนี่ยแหะค่ะเป็นศาสนาแห่งสันติสุขบ้านเมืองอื่นเพราะว่าเชื่อชูยกย่องชูจุดนี้ให้เด่นนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศเนปาลเนี่ยเขาทําให้เป็นวิสิทธิ์เนปาลเยร์ในปีนี้ลุมพินีเยร์ค่ะแล้วเขาก็ ยกเอาข้อของเรื่องสันติสุขนี่แหละเป็นจุดเด่นว่าเราต้องเข้าใจนะว่าธรรมะของพระพุทธองค์มุ่งเน้นให้โลกเกิดความสันติสุขก็ขอความสันติสุขจงเกิดมีกับทุกท่านก็แล้วกันนะคะวันนี้พุทธวัตรสวัสดีคะ่ะ